ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำตนเป็นคนศูนย์ตอนที่สองโดยสมณาทราบซึ้งสิริตเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่2มิถุนายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบะบัดนี้ค่ะ ตัวต่อไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงในเมคยสูตรนี่ท่านบอกว่าจเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทนะ่าดูความแตกต่างนะเขาเขาที่แล้วเนี่ยเป็นตัวราคะเป็นตัวผูกพันเป็นตัวยินดีเป็นตัวพอใจแต่ขาวนี้เป็นตัวพยาบาทพยาบาทนี่ถ้าจะว่าไปก็คื อ, อตัวผักนั่นเอง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 ให้เจริญเมตตาเนี่ยให้ทำยังไงนะให้อภัยอ่าก็ถูก <c oughs> แล้วเมตตาก็คือทำจิตอย่างแรกนะทำจิตของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกที่เห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นหรือคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขานะอันนี้คือลักษณะของ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 จะอะไรจะแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าก็ตั้งตะบะเลยนะคุณคิดดูนะทุกคืนเลยจะพยายา ม, มก็ดีนะเออแผ่เมตตาให้ทุกคืนก่อนนอนก่อนนอนแต่พอเจอหน้าทีไรก็ยังบอกแล้วยิ้มไม่ออกยังพูดไม่ได้นะไออย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรอะ่ะคือมันนานวันนานเดือนนานปีมากเลยบางที อามีจริงๆแล้วไอ้ไอ้นี้ยกมาจากเรื่องจริงบางครั้งก็เริ่มหัดสิหัดเพิ่มดีกรีหรือหัดเพิ่มพลังให้มากขึ้นคือมันง่ายที่สุดแล้วแหละไอ้แค่เอาความคิดเราแล้วก็พยายามคิดดีๆกับเขาเนี่ยขนาดอย่างนี้นะแค่คิดบอกบางคนอนะคุณไปคิดสิดูสิอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีคุณหามุมดีเขาไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเขาก็มาถือศีลเขาก็มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ย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 แทนที่จะแหมเอาสบายๆเอาใจคิดเอาต่คิดมันบังคับน้อยไปนะ <c oughs> มันเหมือนกับคุณจะฝึกออกกำลังกายเนี่ยยกน้ำหนักคุณเอาใจยกไอ้น้ำหนักเล่น้อยเอาต่ยกน้ำหนักเล่น้อยนะไม่ยอมเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นเนี่ยแล้วคุณจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ยังไงอ่ะมันไม่มีทางแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะเราจะเอาต่ยกแต่น้าหนักเบาๆเบาๆเบาๆอยู่เรื่อย เันอะไรที่มันเบาเกินไปหรือพระุทธเจ้าท่านใช้คําว่าหย่อนหย่อนนะแม้ทําดีเนี่ยถ้าเราทําแบบหย่อนห ย, ย่อนเกินไปเนี่ยกําลังมันไม่ค่อยมีฤทธมันไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเพิ่มเพิ่ ม, มน้ําหนักให้มากขึ้นเพรนันคราวนี้คนที่เราไม่ชอบใจบางครั้งเออหัดมองบ้างนะไม่ใช่แหมพอหันมาเจอเขาหน่อยสะบัดหน้าไปทางอื่นเลยนะ แค่หน้าตานี่ยังไม่อยากจะเห็นเลยเยี่ยโอโหอาการหนักมากเลยมพะต้องฝึกต้องฝึกข่มจิตบังคับใจแต่บอกแล้วว่าในขณะที่เราข่มจิตบังคับใจคุณก็คิดเมตตาคุณก็คิดดีดีด้วยนะมุมมุมดีคิดยังไงก็พยายามหาทางหาแง่ที่จะคิดขึ้นมาให้ได้แต่เพิ่มไงว่าพูดได้ก็พูดบงัง ที่ไม่ต้องอะไรมากหรอกแหมแค่เดินสวนกันทักทายกันหน่อยจเจริญธรรมกันหน่อยอะไรเงี้ยแค่นี้มันจะไปหนักนาะสาหัสสากันอะไรนเนี่ยเนยเป็นพิธีการเพิ่มเมตตานะบอกแล้วไม่ใช่เอาแต่อะไรนะอย่าอย่าคิดแต่ให้ผักงามแล้วก็อย่าพูดแต่ให้ผักงาม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 มันมันต้องสะสมนะสะสมนิสัยหรือขอพูดให้หนักหักว่าจะต้องสะสมโอ้โหสันดานมาเลยนะถ้าพูดภาษาหนักหนักเพราะถ้าโดยปกติเนี่ยเราแค่ไม่ชอบใจคนเนี่ยโอ้โหมันไม่ถึงขั้นไปโกรธรุนแรงหรือว่าไปผูโกรธจนกระทั่งไปเป็นพยาบาทจองเวรหรอกคนเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นง่ายๆ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 สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความที่เราไม่ชอบใจคนนั้นบางทีเนี่ยเดี๋ยวแวบใหม่ละอ้าวบางทีทํางานของของตัวเราเองอยู่เนี่ยทาไปทํามาอ้าวแวบนึกไม่ชอบใจคนคนนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็ปรุงไปเรื่อยนะปรุงไปเรื่อยปรุงไปว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอนะหรือคราวหน้านี่จะจัดการอย่างนั้นจะเล่นงานอย่างนี้โอ๊ยคิดไปเรื่อยเพราะนั้นคนเนี่ยเพิ่มความไม่ชอบใจ นะเป็นความเป็นโทสะเป็นความโกรธเป็นการผูกโกเป็นพยาบาทไปเรื่อยเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นอีกเหมือนกันเพราะสะสมถึงจะเป็นแลแ้วตอนนี้เมื่อเราสะสมจกนกระทั่งไปเป็นพยาบาทตอนนี้คุณจะใช้เมตตาแก้อัตมาถึงบอกเอาแค่ความคิดดีๆกับเขาเท่านั้นแล้วมันจะแก้พยาบาทไหวหรอพยาบาทมันก้อนบ เ, เริ่มเทิมแล้ว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 มีนะไม่ชอบใจอย่างนั้นไม่ชอบใจอย่างนี้มีเยอะด้วยยิ่งสมัยก่อนยังไม่ปฏิบัติธรรมนี่โอ้มีบ่อยมีมากแล้วก็มองคนเนี่ยมองแบบเพ่งโทษมองในแง่ลบส่วนใหญ่ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยอะไรเพราะว่าสมัยก่อนยังยังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมองคนมันพูดง่ายเราเราระแวงไว้ก่อนถือว่าเราระวังตัวมันจะเป็นลักษณะนั้น มันจะมองคนในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่แต่นานๆทีจะแบบว่ามีใครมาทำให้เราเจ็บใจจนถึงขั้นเราโกรธมากๆจนถึงขั้นเราแค้นแค้นแล้วเราก็คิดเลยนะคราวนี้มันจะเริ่มคิดปรุงไปค่าได้ค่าโอ้โหมันคิดปรุงไปอย่างนั้นเลยนะมันเคยเล่าให้พวกเราฟังอะ่ะบางทีมีระเบิดสักลูกเคียงหัวมันเลย <c oughs> <c oughs> อ้าวเคยคิดไปถึงอย่างนั้น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 เพนั้นคราวนี้พอเราจะแก้พยาบาทด้วยเมตตานะมันถึงต้องโอ้โหคุณต้องใช้แรงของความพยายามเนี่ยอย่างสูงอาจมาถึงบอกว่าไม่ใช่แค่คิดแล้วบางทีเจอกัอนแล้วพูดจาได้พยายามพูดจาเอาง่ายๆนะครานี้พอเริ่มขั้นพูดจาเนี่ยคุณจะรู้เลยใช่ไหมว่าบางทีโอ้โหพอพูดไปปั๊บเอาอีกแล้วเขาพูดอย่างนั้นกลับมาอีกแล้วเราไม่ชอบใจอีกแล้วอ้าวคุณดูที่ในขณะตั้งจิตมาดีใช่ไหม แล้วก็พยายามจะจะพูดเพื่อเพิ่มเมตตาให้กับเขาแต่พออ้าปากเค่นั้นเองอ่ะเอาละเขาสวนกลับมาในลักษณะที่เราเราเกลียดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณดูนะพอคุณจะเริ่มเมตตาวัาจีกรรมคุณจะเห็นได้เลยว่าก็ไม่ง่ายแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้ายิ่งไม่อดทนยิ่งไม่มีความพยายามหนะ้าที่จะ เพิ่มเมตตาวจีกรรมให้มากขึ้นให้เจริญขึ้นจริงๆเนี่ยมาบอกมคุณก็ไม่สำเร็จอีกเพราะถึงบอกว่าต้องพยายามมากๆพยายามมากๆแม้เมตตาวจีกรรมเนี่ยนะจิตเราพยายามแล้วนะแล้วก็ต้องมาสั่งให้ออกมาเป็นวจีกรรมบอกแล้วว่าจิตมันจะพริกอยู่เรื่อยเลยนะพอพูดไปหน่อยเดี๋ยวก็อืมด่าซะดีไหม <c oughs> นะมันมันมันจะพลิกมาทางทางไอ้บุมลบที่เราสะสมเอาไว้เยอะเนี่ย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 ไปช่วยเขาทำงานนะไปช่วยเขาอะไรอ่ะขนของบ้างไปช่วยเขาเก็บกวาดเช็ดถูบ้างไปช่วยเขาอ ะ, อะไรอ่ะทำไอ้นนทําไอ้นี่ยแล้วแต่หรือแม้แต่อย่างที่อาจะมาบอกยิ่งแม้เรามีของอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็แบ่งให้เขากินได้นี่ <c oughs> ถ้าถึงขั้นนี้เมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่า คุณเริ่มจะทำเมตตามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมได้สำเร็จถ้าคุณทำได้ถึงขั้นนั้นนะแล้วคุณสามารถที่จะฝืนใจบังคับใจในขณะเดียวากาันบอกแล้วสามารถที่จะใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณานะว่าทำไมเราจะต้องมาสร้างจิตให้เมตตาอย่างนี้นะเพื่อเราจะได้ละพยาบาทที่เรามีอยู่ในจิตของเรา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 ม้นมีบางคนเนี่ยไปทานิดเดหน่อยทานิดเดหน่อยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาคือคือคนที่เราไม่ชอบใจนี่ไม่เป็นไปดังใจเราอีกลวเอาเราเริ่มอีกละเราชักจะเริ่มอย่างนี้ก็ไม่ทํไอค้คำว่าไม่ทําหมายถึงว่าไม่ชอบใจต่อไปเมะะ้อนพอเจอหน้ากันก็คิดในแง่ลบต่อไปแล้วอย่างนี้มันจะไปเมตตาอะไรได้ แล้วคนนี้ไม่รู้ถึงสภาวะที่จะสืบต่ อ, อเขาเรียกว่าสันสติเนี่ยคือมันสืบต่อสืบต่อหมายถึงว่าจิตที่มันเนี่ยเป็นราคะเหมือนข้อที่หนึ่งก็ตามหรือเป็นพยาบาทเหมือนข้อที่สองนี่ก็ตามจิตมันจะผูกกันต่อไปอีกไม่เพียงแค่ชาตินี้เพราะามันยังสะสมอยู่ในจิตของเราผูกเป็นราคะมันก็เอา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 เกลียดแล้วเกลียดแล้วชาตินี้ไม่อยากมีผัวหรือไม่อยากมีเมียอย่างนี้อีกแล้วเสร็จแล้วเป็นไงจิตของตัวเองก็ยังไม่ผูกอยู่อีกนะบอกแล้วผูกเพราะความเกลียดชังก็ตามคือไม่อยากมีอย่างนี้อีกแล้วก็หมายถึงว่าว่าออืืหเกลียดที่จะไปมีสามีหรือไปมีภรรยาแบบนี้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็ผูกจิตที่เกลียดแหมบางทีโอ้โหแค้นเคืองนะ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 ซึ่งก็ฝึกบอกแล้วถ้าฝึกโดยตรงก็ฝึกกับบุคคลนั้นเลยแต่ถ้าโดยตรงอันนั้นบางทีจิตยังไม่แข็งทอที่จะฝึกได้ขนาดนั้นก็ฝึกกับเนี่ยข้าวของอะไรต่างๆอันนี้เราจะฝึกแก้พยาบาทก็คืออะไรละข้าวของเครื่องใช้ไหนที่เป็นยังไงที่เราจะพยาบาทอะฮข้าวของเครื่องใช้ทํานองไหนฮะ ข้าขอ ง, เ ค, องเครื่องใช้ทํานองไหนที่เราไม่ค่อยชอบอย่างเช่นเสื้อผ้าเฉยเยเสื้อผ้าที่เราไม่อยากจะใส่อย่างเงี้ยนะรังเกียจเสื้อผ้าที่เรารังเกียจแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ไม่ใช่เสื้อใครมันก็เสื้อเราแหละนะแล้วมันก็การร้อนกันหนาวรัดกุมได้วับนบางทีก็หัดใส่บ้างใส่แล้วก็หัดทําจิตทําใจ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 เปยังไงอาหารประเภทไหน อ, อ, อาหารที่เราไม่ชอบอ่าหารมันก็ดีมีประโยชน์อยู่จริงๆเป็นอาหารที่เราขาดแคลนด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็ฝึกกินอาหารที่เราไม่ชอบแต่ในขณะที่กินไปไปไงแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้อาหารนั้นจะแผ่ยังไงอ่ะฮะอะไรดีที่เราไม่ชอบฮะทั่วเลืง้งโอ้โห เอาสมมติว่าถั่วเหลืองเนี่ยเราไม่ชอบเวลากินไปจะเป็นไงจะแผลเมตตาไงจะสร้างจิตให้มีความเมตตาได้ยังไงจะคิดยังไงเออใช่ไหมเราเอาคิดถึงประโยชน์ของมันใช่ไหมว่ามันดียังไงไม่ใช่พอตอนกินใบไปคิดยังไงเขาเนี่ยแย่แย่ใช่ไหมกินไปแล้วโอโหฝืดคออา้าวคิดอย่างนี้มันจะไปรอดเหรอเพราะ ไ, ไอ้นั่นเนี่ยคือความคิดที่เราถึงลังเกียจใช่ไหมถึงเราไม่ชอบ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 แต่ตอนนี้เราพย า, ยามคิดบุมบวกของถั่วเหลืองที่ว่ากินแล้วมันดียังไงโอ้โหมันจะแข็งแรงทำให้อ่ถ้าเป็นแผลเป็นอะไรนี่เลือดแห้งเร็วนะอา่าเลือดมันจะไม่ไหลออกเยอะอะไรอย่างงี้อา่าหรืออะไรอีกถั่วเหลืองช่วยให้ระบบภายในร่างกายนะเข้มแข็งมีพลังอะไรอย่างงี้คือคือ ค, คิดในแง่บวกในขณะที่เรากินถั่วเหลืองนั้น่ะ คือพิจารณาที่มันเป็นเมตตาเข้าไปอย่างนี้จิตที่เราผูกเอาไว้ในแง่ลังเกียจในแง่ไม่ชอบโทเหลืองมันถึงจะค่อยๆเบาลงได้จิตที่เป็นพยาบาทมันถึงจะเบาลงใช่ไหมจิตที่เป็นแง่บวกที่เราสึกเออเอาละเราไม่ค่อยชอบก็จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นมันมีประโยชน์อย่างนี้นะมันดีตั้งหลายอย่างเพราะบางคนเนี่ยพอปรุงจิต